เราเข้ามาสู่ช่วงเคสตดี้วันนี้เป็นแคสที่แปดร4เสองสเท่ากับ 4-4 ขณะที่ลูกกำลังเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองอยู่นี้ลูกรู้สึกวิตกังบนและเกรวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเหลือเกินดังนั้นลูกจึงได้แต่ภาวนาให้เรื่องราวของลูกส่งถึงครูผู้ใหญ่โดยเร็วที่สุด เพราะลูกเชื่อมันว่าเหตุผลในเชิงกฎแห่งกรรมและคําแนะนําของครูไม่ใหญ่จะเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้า <c oughs> เป็นแสงสว่างสุดๆ <c oughs> น <c oughs> ี่เธอบอกเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ช่วยเยียวยาสภาพจิตใจลูกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป <c oughs> เพราะบ่อยครั้งลูกได้หาทางออกให้กับชีวิตในการคิดฆ่าตัวตาย <c oughs> สิ่งที่ช่วยชีวิตลูกไว้ได้ทุกครั้งนั่นก็นกนคือคําสอนครูมิใหญ่ที่พูดว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากฆ่าตัวตายร้ายกว่าฆ่าคนอื่นและหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างท ร, รมานยาวนานกว่านี้อีกหลายเท่านัดเกิดใหม่ก็ต้องไปฆ่าตัวตายกันอีกแต่เหตุ น, นี้ยังทำให้ลูกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะสู้สิลูกสู้อย่าไปกลัวสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็เป็นอยู่ไม่กี่ปีในโลกมนุษย์ประเดียวประดาวันนั้นเองอดทนเนาะแม้ว่าลูกจะอยู่ในสภาพที่เหมือนคนลอยคอเดียวดายในเทะเลโดยที่มองไม่เห็นขอบฟังเลยก็ตามลูกก็สัญญาว่าจะไม่หวั่นไหวค่ะลูกจึงของเขียนเคสดี้ส่งมาดังที่ลูกจะเล่าต่อไปนี้ค่ะดูที บางทีลูกอาจจะลริมเปรียบเทียบมาเลยลูกคิดจะฆ่าตัวตายเรื่อ ง, องลูกมีดังนี้ลูกถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นท่ามกลางครงอบครัวที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เล็ก<ม>ครูไม่ใหญ่นี่นะบรรทัดนี้เกิดมาจท่ามกลางที่ครอบครัวไม่พร้อมเลย<อ>ตั้งแต่เล็กๆลําำบากนีแล้วก็ไม่จะเียนครูไม่ใหญ่คนเดียว อีกเป็นพันล้านคนในโลกนี้เกิดมาที่ครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมบรรทัดแรกลูกก็ตกม้าตายโดยไม่ต้องข้าขตัวตาย <c oughs> นี่ <c oughs> แต่ลูกไม่คิด <c oughs> ฟังต่อตอกอีกอีกตัวอง <c oughs> เพราะลูกอยู่กับคุณพ่อกับแม่ซึ่งจบการศึกษามาจากเมืองนอก <c oughs> มีเด็กหลายคนในโลกนี้ <c oughs> อยู่กับคุณพ่อกับแม่ที่เมืองไทยก็ไม่จบ ตกตัวที่สองไปแล้วดังนั้นท่านยังพยายามไม่ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอยากไม่คาตกบกพร่องลูกเอ้ย <c oughs> นี่ก็ตกอีกตวงแล้ว <c oughs> มีเด็กอีกเป็นพันล้านคนในโลกนี้ที่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ต้องการ <c oughs> อยู่กับพ่อแม่ในพ่อแม่ไม่มีอะไรจะให้ค <c oughs> าตกบกพร่องเยอะโดยให้เรียนโรงเรียนดีๆ <c oughs> ลูกเอ้ย <c oughs> บางทีก็ไปเรียนโรงเรียน <c oughs> เป็นคนใต้ ตไต้ทุนไต้ทุนเรียนไต้ทุนวาดไต้ทุ น, ทนเรียนไต้ทุนนี่โรงเรียนดีๆนี่ให้เรียนพิเศษในสถานที่ที่มีชื่อเสียง อ, อลูกอเอ้ยอนีเ่เด็กๆอีกเป็นพันล้านคนเรียนในปางี้ห<อ>มนดอยนี้ในเกาะที่ว่าเวไม่มีคนรู้จัก<อ>แต่ลูกได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เออดีทรงมาผิดหรือเปล่าเนี่ยมันน่าอาัดมากกว่าหน้าโอ้เลยเยเออตกลงเอาไงดีเนี่ยต่อครับนี่มันน่าเรื่องเรื่องอยังไม่จบส่งเสริมได้กีฬาจนตัวลูกก้าวถึงขั้นเป็นนักกีฬาเขตแข่งขันชนะควา้าเหรียญทองมาได้อ้ามีเป็นพันล้านคนเลยเนี่ยที่ไม่ได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬาหรือส่งเสริมยังเหรียญทองแดงยังไม่ได้ อีทั้งลกยังได้ถูกประคบประงมอย่างดีอ้าวตกมาตายอีกแล้วนั่นก็ต้องเวียงนั่งอัดโดยไม่ได้รับรู้ปัญหาใดๆของครอบครัวเลยแล้วลูกจะเอาอยัางไงอ่ะพ่อแม่ไม่มาบอกเรื่องปัญหาในครอบครัวให้ลูกฟังเลยไอแม่ตกไปหลายตัวแล้วนี่จวนจะหมดทอกแล้วมีแต่ลูกเอ่ยมาฟังปัญหานี่นะพ่อเจองี้แม่เจองี้นี่เป็นอย่างงี้ นี่มีปัญหาทีเดียวพอตาป่วยแม่ยายตายอย่างงี้ฟี่เคยเป็นหนี้อะไรอย่างี้อพ่อกับแม่ก็แย่เมื่อกัอนอะไรงนี้นี่ไม่เคยรู้เรื่องปัญหาอะไรเลยจึงทำให้ลูกคิดเสมอว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง โ, โชคดีที่สุดเลยที่เติบโตขึ้นมาสภาพครอบครัวที่อบอุ่นเสม อ, อนี่หลายพันครอบครัวนะจ๊ะ ถ่ายพันล้านก็อบครัวเกิดในครอบครัวที่อบอ้าวนี่ครับอบอัด <c oughs> ทั้งอบทั้งอัดอัดกันสะบัน้นแถกเลยนี่ลูกเกิดในครอบครัวอบอุน่นนี่เกินนเดหมดคอกแล้วนะลูกนะ <c oughs> ตอมาเนี่ยแต่แท้จริงพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันมากแต่ท่านปกปิดไม่ให้ลูกรับรู้ <c oughs> ลูกมีบุญละเกินพ่อแม่ก็ทะเลาะ ก, กันในห้องก็ <c oughs> ปิดประตูนะไม่ให้ลูกรับรู้มีบุญแล้เกินลูกไม่ได้เห็นเลอ แต่อีกหลายพันล้านครอบครัวนี่รับรู้ก็เลยเห็นกัน จ, จะจลูกเป็นกรรมการไปห้ามทุกเล็กเล็กจะตีกันเลยพ่อขวผมมาแม่ใช้เครื่องทุเรศโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยนี่ลูกกลุ้มไปทําไมเนี่ยกลุ้มฟรีเนี่ยเขารู้สึกภาพความใจได้ดำเนิน เ, เ, เปในจิตใจลูกจนกระทั่งลูกเรียนถึงระดับมห้าแต่ละความสะเทือนใจก็ได้เกิดเก่งกับลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะ อยู่อแม่ก็มาบอกรู้ว่าแม่ได้ยาขาดจากพ่อแล้วแม่จะไปทํางานที่ฮ่องกงกับคุณตาโอ้ลูกเอ้ยแม่ไปต่างประเทศทํางานข้ามชาตินี่ทําเป็นเล่นไหมนะตอนนั้นลูกสับสนและพยายามถามเหตุผลจากท่านทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เหตผลที่แน่ชัดในการยาขาดของท่านก็ทำมีบุญกันแค่นั้นแหละทายาลูกดแต่ร้องไห้แล้วเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องชนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเธอลูก โอ้ยก็เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกแล้วลูกถ <c oughs> ึงลูกก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเราไม่มีครอบครัวที่อบุ่นต่อไปแล้วไม่เหลือใครอีกแล้วนี่ <c oughs> ชีวิตมันกะเป็นอย่างนี้แหละลูกเยพ่อกับแม่ถ้าไม่จากเป็นแก็จากตายแหละแต่ตอนนี้ท่านหมดบุญกันแล้นและจากเป็นก็แยกกันไปแต่สักวันก็ต้องจากตายก็ต้องพัดพา ร, รากนะจาก พ่อแม่สักวันหนึ่งก็นิ้วก็เป็นเรื่องปกติแหละลูกมองอีสิแล้วจะได้ไม่ทุกข์ใจไงหลังจากที่แม่บินไปต่างประเทศแม่ได้โทรมาบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ไปอยู่อเมริกาออนักรไปอีกอยู่ประเทศมาหาอำนาจเลยลูกเ อ, อ้ยถึงหลังจากนั้อีกสองปีแม่ก็ได้แต่งงานใหม่และแม่ก็ได้ชวนลูกไปอยู่ด้วยแต่ลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อคะ่ะ เราอยากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนคั้นเมื่อลูกจบปริญญาตรีแล้วพ่อจึงส่งลูกไปเรียน ต, ต่อโทที่อเมริกานะแล้วมันน่าสงสารตรงไหนลูกออกเ็เป็นพันล้านคนที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะแต่นี่พ่อส่งไปเรียนปริญญาโทนะนี่ดูสินะอ๋อคนจะโอด้วยคนจะอัดนี่โดยที่พ่อบอกว่าพ่อมีเงินพอส่งลูกไว้ นี่เห็นไหมจ๊ะเราก็สบายอยูแ่แล้วก็เรียนไปเถิดนาทีไปเรียนหนังสือเนี่ยแต่ในเครื่องพิสสุดท้ายพ่อโทรมาบอกว่าหมุนเงินไม่ทันหลังจากความเป็นห่วงลูกยังได้ถามถึงเหตุผลแต่พ่อกระปิดบังไม่ยอมบอกใครเลยเอาก็ทํำไมอยากให้ลูกมากลุ้มใจให้เรียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยกระด้าง ล, ลูกซักมากมากเราก็เริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกต้องตัดสินใจบินกลับเมืองไทย พอมาถึงอยู่ก็มีหมายสารมาเรียกตัวพ่อไปขึ้นศาลแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้กฎหมายเนี่ยมีไฟแนมมายึดรถที่บ้านการพลัดพลาดจากสิ่งที่รักก็ทํารมดารถเนี่ยไม่จากตอนที่มันนสภาพดีมันก็จากไปด้สภาพที่มันใช้ไม่ได้มันพังนี่เขาเอากลับไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องดูแลรถมันก็สบายไม่ใชะมันต้องไปล้างรถอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาใจมันให้น้ํามันมันอย่างงี้ จะเ อ, นนเอาน้ำมันนู่นเอาน้ำมันนี้อาน้ำมันเครื่องมันน้ำมั น, มนสา ร, รพัดโอจะต้องเช็ดถูเอาอกเอาใจเห็นไหมลูกคิดอย่งนี้มึงสิ <c oughs> มีคนแปลกหน้ามามากมาทยอยกันมาทวงนี่สินที่บ้านจ <c oughs> นลูกงงมากลูกก็ยิ้มยิ้มเฉยเฉ ย, ย, ย, ยสิเราก็บอกเขาว่าเราต้องใช้แน่ <c oughs> แต่วันนี้ยังไม่มีนี่แล้วก็ต้องใช้เขาจริงๆนะไนเงินเดี๋ยวเขาเรียกว่าเบี้ยนี่ ลูกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเขามาทวงกันจังเลยลูกพยายามถามเรื่องราวนี้จากพ่อหลายครั้งแต่พ่อเลี่ยงที่จะตอบจนต้องทะเลาะกันรุนแรงก็ไปทะเลาะทำไมก็ถ้าไม่อยากบอกลูกจึงหามาใช้วิธีสืบเรื่องนี้นี่เป็นนักสืบเป็นเชลลกโฮมเลยไหมจกคนรอบข้างแล้วก็นำเรื่องมาปฏิปบัติต่อกันจนกระทั่งได้ความว่า พาอําที่ดินที่เป็นมรดกที่คุณย่าให้โคลนัก ท, ทรัพย์สินทั้งหมดคำพ่อไปลงทุนทําหมู่บ้านจะกลับโดนโกงไปจนหมดตัวโคลมทั้งบ้านหลังสุดท้ายที่ครอบครัวเราใช้สุกหนนอนพอก็นําไปจํานองอีกด้วยก็เรื่องมันจําเป็นน่นลูกรวม ท, ทรัพย์สินที่โดนโองไปตลอดจนเงินที่ต้องใช้หนี้ธนาคารและแฟรนซ์มีมากถึงสองสี่สอสสสสล้านบาท<อ>จากความจริงตรงนี้เองทําให้โลก แทบจะสิ้นสติแต่ตรงข้ามพ อ, องลูกกับเ<ร>ฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยสามราไปกว่านั้นทนด้หันมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนไฮโซคือสูบซิกาสงละหนึ่งบาทออกไปตีกอล์ฟทุกวันซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินในสังคมนี้ถึงวันละันบาทพ้าโอโหสามันบาทนี่ันวัดเปนะวัดละบาท สองวันก็หกพันหกัาวา็วัดละสองบาทนี่ใช้ไปกี่วันน่สองปีเต็มโอ้โหเจ0ดรยกว่าพ่อดำเนินชีวิตยอย่างไม่รู้ว่าร้อนหนาวอย่างนี้นานถึงสองปีเต็มๆทั้งๆที่พ่อมีหนี้สินท่วมตัวเพราะฉะนั้นเราจะทำบุญสา0พันวัดก่อนหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก่อนทำก่เจ้าทำบุญก่อนเราก็มีบุญติดตัวไปแล้วแหละ เป็นเบียงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยทำลุยทำไปก่อนเลยและยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนไมาใช้ข้าหมดจึงทำให้รู้ต้องพูดกับพ่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทำไมพ่อถึงใช้ชีวิตแบบนี้พ่อก็ตอบสั้นๆว่ามันเงินของพ่ออย่ามายุ่งโดยพ่อเหตุผลว่า เขายังมีเงินก้อนสุดท้ายอีกสี่ล้านบาทที่ที่ทำงานให้ตอนออกจากงานแล้วซึ่งลูกก็จะกาัาวลชัดพ่อเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เ ส, เสมอว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรได้ครับเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้เลี้ยงชีวิตพ่อแล้วนะแต่ที่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้ น, นสิคะเพราะลูกเริ่มสังเกตว่าพ่อเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อไม่ไปตีกอล์ฟอีกแล้ว เริ่มซึมไม่พูดไม่จามไม่กล้าเข้าสังคมไม่ยอมออกนอกบ้านเลยพอได้แต่นอนจมปลักอย่างสิ้นหวังอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างบางคนนั่งบนเก้าอี้อ่ะบางครั้งนั่งบนเก้าอี้ย อ, อย่างเมื่อรอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ <laughs> หันมากินมามา่าแทนอาหารทุกมือ้อเอา้าอร่อยนะลูก ลูกไม่อยาเห็นพ่อในสภาพอย่างนี้เลยอยากเห็นท่านลุกขึ้นมาสู้บอกว่าไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะถ้าเราไม่ยอมไม่แพ้ไม่ยอมไม่แพ้ไม่ยอมไม่แพ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่แพ้ลูกรู้สึกสงสารใจเห็นท่านนอนนั่งอย่างนั้นจึงมาถามท่านถึงเรื่อง เงินสี่ล้านะจะรู้ว่าเงินสี่ล้านก็นสุดท้ายได้อันตรธานไปหมดสิแล้วเพราะพ่อไปเล่นแชร์ลูกโซ่<ะ>โซ่เลยพันคอและโดนโกไปจนหมดซึ่งทุกวันนี้พ่อก็ได้แต่ซึมเศร้าอรอวันนี้คขามาล่าไปขึ้นศาลรอรวันที่ธนาคารมปยึดบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่อรอวันที่จะไม่มีที่สุขขนนอนเลยี่ไ่ยอมทาอะไรเลย ลูกเสนออะไรท่านก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างท่านบอกอาจารย์จะอยู่บ้านหลังนี้จนตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทาให้ลูกทะเลาะและขัดแย้งกับพ่ออย่างรุนแรงแทบทุกวันจะลูกเกลียดและกดดันและรับไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยอืมทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทที่ปล่าเปลี่ยวไม่มีใครและวิ่งนี้ ก้อนหินใหญ่ที่กําลังเคลื่อนกันมาทับจากทุกทิศทางแต่ไม่มีใครช่วยอะไรลูกเด่เลยโดยเหตุนี้ทําให้ลูกเนะ่ยเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่เขาอยากฆ่าตัวตายเพราะบ่อยครั้งที่ความคิดชั่ววูบวูบชั่วนั้นจะไปเอาตามนะแต่บงังคับงเปลูกฆ่าตัวตายยังไงกันอย่านะลูกนะเพราะว่าเรายังมีลมหายใจและศูนย์กลางกายอยู่ขนาด พึ่งมันจากไปแมวอ้วนหนีไปแต่ว่าไม่มีใครอารมณ์หายใจและสูงอากาไปได้เลยเรายังเหลือสิ่งนี้อยู่จะไปกลัวอะไรสมบัตินอกตัวเนี่ยเห็นไหมจ๊ะถ้ามีบุญ ร, รองรับมันก็อยู่กับเราถ้าไมดบุญมันก็จะมีเหตุให้มันไปจากเราเพราะนคาว่าสมบัติผลัดกันชมเนี่ยเป็นเรื่องจริงแนะมันเป็นของกลางในจัสมบัติเนี่ยใครมีบุญก็ได้ ครอบครองถ้าหากหมดบุญก็หมดสิทธิจะครอบครองสมบัตินั้นด้วยประการชานีแ้แลเราจึงต้องสั่งสมบุญกันทุกๆวันและทุกๆบุญด้วยครับเห็นไหมจ๊ะถึงทุกวันนี้ลูกจะท้อแท้แต่ก็ไม่ถอยอืใช้ได้สมเป็นลูกพระธรรมจ้ะจะเห็นไหมใช้ความรู้ที่จบปริยโทจากเมืองนอกอืมนี่ลูกจบปริยโทมา มีคนอีกเยอะไม่จบปัญญาโทตรีก็ไม่จ บ, บมาประกอบอาชีพด้านกราฟิกดีไซน์ออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกรักมากนี่เห็นไหมจ้ะลูกก็ได้ทําอาชีพที่ลูกรักเห็นไหมก็น่าจะมีความสุขแล้วก็มีปัญหามากเช่นกันแล้วลูกมันจะโดนลูกค้าโกงเงนิน บ, บ, บ่อยๆต่างแต่ที่ลูกทุ่มเททํางานแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยจนบางครั้งคิดน้อยใจว่าอาชีพขอทานยังหาเงินได้ง่ายกว่าลูกอีก คือแค่แบมือก็ได้เงินแล้วแต่ลูกต้องทําทุกอย่างอดหลับอดนอนเพื่อแห้า ง, งานทันเวลาที่กําหนดแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งสมองสองมือนี่ไม่เพียงพอรเราต้องมีบุญทานบารมีรองรับไปไหมจ๊ะนี่ตอนนี้เรามีหนึ่งสมองกับสองมือทําและเป็นอาชีพที่ลูกรักด้วยแต่ลูกไม่มีบุญรองรับไปไหมจ๊ะปัญหามันยังเกิดขึ้นอีกเยอะแฮะนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งสมบุญวัดระบาด คิดค่าติดตายที่ไลวัดละบาทพอวันคิดตอนเช้าเอาวัดละบาทตอนบ่ายคิดอีกเอาสองบาทอาจารย์กลางคืนสาสาบาทพรุ่งนี้สี่บาทไปอย่างนี้สิลูกล อ, อย่างนี้ <laughs> แต่สุดท้ายมาเข้างานไปแท้เอางานไปลูกแทะจะต้องไปกราบเท้าเขาเ พ, เพื่อให้ได้เงิน โดยเหนี้ลูกยังต้องทำงานเสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านโดยต้องดำมารงชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบไม่จริงมั้งอันนี้โมลูกโมล่โมลูกจะไม่ถึงกป็าปากกัดกัดก็อะไรเขาโพดอย่างงี้แลวลูกก็ไม่ได้เป็นคนเยภาผ้าลูกเป็นกราฟิกดีไซน์จชะเพราะนั้นลูกไม่ได้ใช้ส่วนล่าง นะจ๊ะไม่ได้ใช้อย่างนั้นจริงๆเชื่อเธออันไมเชื่อลูกอันนี้เรื่องจริงๆนะจริงเปล่าหน้าฉันอาจจริงไหมนักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันพี่ยากราฟิกดีไซน์ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไม่ใชต้องไปทํางานล้างทําความสะอาดรถยนต์ก็ต้องทําอ่าดีลูกไม่เป็นไรร่างกายแข็งแรงเอ็กซเซอร์ไซส์แก้มก็แดงน่ารักน่าหน่ายม่เนี่ยลด็เอ็กซ์เซอร์ไซส์เผื่อได้เงินมาเพียงพอกับรายจ่ายมันก็เป็นสัมมาอาชีวะอ่ะก็ดีกว่าไปจี้ไปปล้นครับ นี่ลูกได้เงินมานี่มาได้ความแข็งแกร่งมาด้วยเรียกวได้ว่าทำมีงานอะไรจะทำก็ทำหมดบางคนในโลกไม่มีงานทำนะลูกนะ <c oughs> แต่ลูกมีงานทำหมดจะขายของอะไรก็ขายหมดอา้าว <c oughs> ขายของอะไรก็ขายได้หมดคื <c oughs> อ, อกล า, <c oughs> ายเป็นว่าลูกต้องสู้ชีวิต ท, ทุกด้านโดยลำพังทำงานหนักถึงตีสองหรือตีหแล้วบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลยลูกแทบจะไม่มีปัจจัยในการทาบุญ มาทําบุญได้อย่างมากมายนักไม่เป็นไรลูกเราเป็นนักบุญทุนน้อยแต่หัวใจเราเกิดร้อยก็โอเ ค, คแต่ลูกก็ใช้แรงกายและความรู้ที่ได้เรียนมามาช่วยงานพระาศาสนาอย่างเต็มกําลังสาธุาคือลูกจะมาช่วยงานออกแบบสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสื่อธรรมะอมต่อไปลูกนี่จะฉลาดมากทีเดียนะจ๊ะจะได้เกิดใ้ลมกรระาศาสนาโอ้อีกเยอะแยะเลยแล้วมาถวายความรู้โดยเป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับพระเนร แล้วเจ้านาทีในวัดค่ะตอนนี้ใจลูกคิดสู้กับอุปสรรคไม่หวั่นไหวแล้วค่ะลูกบรรจัยและเชื่อว่าวันที่ฟ้าสดใสรอลูกอยู่ค่ะถูกต้องอย่าวันฟ้ายังต้องแพ้ใจลูกก็เลยจบเรื่องเธอไปแล้วหน้าโอลหรือหน้าอัดหน้าโอลไม่ใช่เลยไม่หน้าเลยโอลเลย<ม>เพราะเธอมีสิ่งดีๆเยอะแยะเห็นไหมเจะ นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนลําบากกว่าเธอมีเยอะหลายพันล้านคนในโลกนี่เธอก็ลังพึงเมื่อนั้นนะจริงๆแล้วอืฟ้ายัางต้องแพ้ใจเธอเลย ค, คุณพ่อคุณพ่อเพื่อนสนิทของลูกทำเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมะชื่อดังท่านเข้าวัฒนธรรมกายและได้เป็นอะไรมิตดในเส้นทางทําให้เก่ลูกทํานมัจะไม่ทํารมะและใหงง้แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเสมอทํำให้ลูกรักและคุ้นเคยกับท่านมากและรักท่านเสมือนพ่อแท้ๆคนหนึง่ง แต่โชคร้ายที่ท่าเป็นคนติดบุหรี่ทําให้เวราสุดทา้ายท่างๆาโดยเล่มะเร็งปอดในวัย66ปีคุณยางลูกท่านทาบุญตามประเพณีและมักจะฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำในเวลาสุดทา้ายท่านโดนมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตทันทีในวัย66ปีคุณตางลูกท่านเป็นชาติตาสูตรที่มีชื่อเสียงมากทําบุญตามประเพณีและชอบไหว้เจ้าในบันปลายชีวิตท่านตายโดยเร่ามะเร็งลาําไส้ในวัย80ปีคําถามบุญใดที่ทําให้พ่อมีสมบัติมากมายในตอนต้น แต่ต้องอันตรธานหาประโน์อย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ถูกโกงจะมีหนี้สินมากมายทําไมคุณพ่อถึงมีอัจฉริยาศัยไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าสูยชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งชราใจนะว่าเราครวยมีสมบัติมากตอนนี้เพราะวันข้างหน้าเราไม่รู้เราทําบุญตลอดรอดฝังหรือเปล่าหรือทําบุญแล้วเสียได้ทรัพย์หรือเปล่าในภายหลัง บุพกรรมใดทำใคุณพ่อคุณแม่ทั้งเลิกกั น, นทั้งสองผูกเวรหรือมีกรรมในอดีตกันมาหรือไม่อย่างไรและทําไมลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันและทุกคนไม่รักไม่ช่วยเหลือกันคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมมากในเบต้นและส่งเสริมด้านการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีแต่ต้องมารับปัญหานี่สินี่ต้องช่วยพ่อรับผิดชอบถึง44ล้านลูกแล้วคุณพ่อทําบุพกรรมอะไรร่วมกันมาคะ เรื่องนี้ก็มีเหตุทั้งสิ้นแหละจ้ะลูปีบุญพอที่จะปลดหนี้สินจำนวน44ล้านให้หมดไปไหมคะและลูกต้องจัดการกับภาวะหนี้สินหรือแก้ไขอย่างไรต่อไปคะุปรแกรมใดแต่ไม่รู้องมาทำงานหนักมากถึงหลายอาชีพเพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำหากลูกจะเข้าหุนกับคนอื่นในการลงทุนทาธุรกิจรูยังมีผังโดนโกงหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะหากมีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ในี่ใครทําอาชีพอะไรบอกกระทาแล้วไม่รวยเนี่ยยางดีกว่าเป็นหนี้ใช่ไหมจ๊ะอย่างนั้นก็มีกินมีใช้ไม่มีหนี้ทําไมลูกชอบงานศิลปะด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากและอดีตสงฆ์ที่ลูกเดินไปเป็นปโยมอาจารย์ถวายความรู้ภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกจะได้รับอดีตสงฆ์นี้อย่างไรบ้างอดีตอาชาลูกเคยเป็นครูมาบ้างไหมคะ ลูกรู้สึกรูกพันแลมีความสุขมื่ได้สอนค่ ะ, <น>ะคุณครูเส้นทางเดียวครูไม่ใหญ่เลย okay. อาชีพพระโพธิสัตว์เ <Okay, right. S 1> พราะชีวิตในสังสารวัตสิ้นสุดที่อาชีพครู <Okay. S 1> ที่ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดหลุดพน้นจากภพนี้เนี่ยได้พระบรมครูเนี่ยสอนเห <Okay. S 1> ็นไหจ๊ะไม่ใช่ว่าพ้นด้วยการจบวิศวะ <S <S <ๆ>ทาปัต เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์กัดไม้หรืออะไรต่าง ๆ, ๆไม่ใช่เลยไม่ใช่ M อ็มบีเอนี้ก็ไม่ใช่แต่จบด้วยวิชาครูเราสัมาสมัมพุทธเจ้าท่านส อ, นอาชีวิตที่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความทะยานอยากต้องหยุดความอยากได้มักมันจะเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆแล้วก็จะเห็นไปตามลําดับเห็นเดรยยาสัต4ีได้เห็นไหมจ๊ะ วิชาครูนี่เพราะนั่นลูกชอบมากผูกพันมีความสุขเมื่ได้สอนถูกต้องอย่างดีมากเลยอันนี้เป็นเส้นทางที่สุดต้องลูกมปความรู้สึกอย่างนี้ดีถ้าจะเป็นครูเนี่ยมันต้องปิติลรภาพภูมิใจในการเป็นครูทุกอนุวินาทีเลยทุกวันเลยว่าฉันเป็นจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอแม่เจ้าต้องมีปิติสุขเป็นครูนี่ต้องมีบุญมากๆจึงจะมาเป็นครูได้ โลกใบนี้อยู่ได้เพราะคุณครู <Okay. S 1> ถ้าปราศจากคุณครูโลกโง่หมดเพราะไม่มีใครสอนเ <Okay. S 1> ห็นไหมจ๊ะเวลาแม่สอนลูกนี่นะโอ้ <Okay. S 1> oh, ลูกแม่แค่เป็นทางผ่านให้ลูกมาเกิดเท่านั้นแหละแต่ว่าลูกเกิดใหม่ลูกก็ต้องรเรียนรู้ใหม่ แม่ก็สอนลูกได้ในระดับหนึ่งแต่มีแม่อีกท่านหนึ่งนีส่สิท่านจะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของลูกเป็นตัวอย่างที่ดีที่ลูกจะเดินตามเขาเรียกว่าแม่พิมพ์แม่อย่างมากก็เป็นได้แค่แม่ของลูกแต่แม่พิมพ์ที่โรงเรียนครับเป็นแม่ของโลกแม่มีลูกได้ไม่เกินสิบยี่สิบคน แต่แม่ของโลกมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแม่คนนั้นสำคัญนะลูกนะเขาเรียกคุณครูบางทีครูไม่รู้มันกันับเป็นแม่ของโลกนะมมวแต่น้อยเนื้อตํำใจเนะี่ยหรือไม่น้อยเนื้อตํำใจแต่ไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้เล่นการมันนั้นมันน่าอาถึงไหนลืมลืมติดลมกรอนาพาไป ทำไมลูกถึงมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากอดีตชาติลูกกับท่านและเพื่อนสนิทคนนี้มีความสัมพันธ์กันเปอย่างไรนี่คุณพ่อของเพื่อนสนิตนนทตายแล้วไปไหนอืมก็ไปถามท่านดีเจนี่ไปถามท่านไปไหนตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับุที่อุทิศไหมคะบุปรกรรมได้ทําให้คุณยายโดนรถชนตายตอนตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรได้รับบุที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะ บุพกรรมไดตามันตาลูกเป็นมะเร็งลำไส้ท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรบ้างแต่รอบบนเทวทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมได้ที่ญาติและคนรอบข้างรวมถึงคุณพ่อและลูกของลูกถึงไม่เห็นด้วยกักายมาวัดของลูกเลยและยังชอบว่าโลวะบาหรือไปโลกปราสาทไปแล้วที่มาวัดนี้เนะี่ยเออไม่ใช่ไม่ได้คนดีเขามากันใจก็แล้วลูกต้องแก้ไขบุพกรรมนี้อย่างไรและต้องทําหน้าทีกัลมิตยทาญาิอย่างไรคะ ลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบรมามีกรรมูขนะมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะมีหน้าทีอะไรในกองทัพรรแลาจะมีบุญก็ถึงว่าธรรมกายในชาตินี้ไหมคะจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจําได้ครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา แล้วก็นํามาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากรจ่าใครคือแม่ของโลกคุณครูใครคือพ่อของโลกคุณครูคุณครูถูกต้องแก่นี่ยเ ห, หมคุณแม่อยู่ที่บ้านแม่ของลูกพ่อของลูกแต่คุณครูที่โรงเรียนนั่นแหละพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นั่นพ่อแม่ของโลก พ่อของลกูกพ่อพิมพ์แม่พิมพ์แม่เนี่ยตั้งมอบของที่รักที่สุดเพราะสิ่งที่พ่อแม่รักที่สุดคือลูกไม่ใช่ทรัพย์สิงงนเงินทองเอาไปฝากกับบุคคลที่มั่นใจนะว่าจะพาลูกไปสู่เส้นทางความสว่างได้จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีที่ลูกเมื่อกลับจากโรงเรียนมาแล้วดาเนินอรอยตามได้นี่ นึกและทราบซึ่คิดถึงเงื่อน Guru อย่างเลยแม่ของโลกพ่ อ, องโลกนะแต่ดีนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้มันน่าจะย้อนถอยหลังลงนะถอยหลังลงคลองคลองธรรมคือคลองนั้นนะเป็นเส้นทางแห่งธรรมะ ความสว่างสิ่งที่ดีงามคุณครูลงถอยหลังลงคลองจะจ้ะคลองธรรมเนี่ยตัวจะได้ชุ่มอยู่ในธรรมอยู่ในคลองธรรมนั้นใจก็จะได้เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมว่าจ้าก็เป็นธรมรมธรรมะความถูกต้องดีงามก็จะเกิดขึ้นแล้วขึ้นอย่าคลองกันมาเลยนี่ดีไปจ้ะ พ่อมีสมบัติตอนต้นมากมายแต่สุดท้าสมบัติต้องอันตรธานไปหมดอย่างรวดเร็วว่าจะลงทุน ท, ทําธุรกิจอะไรก็ต่างโดนโกงไปหมดเพราะในดีเวลาพ่อทําบุญมักจะปีติยินดีในตอนตอน้นแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกเสียดายแบบแม้ไม่น่าทําอย่างมากมายเลย <Yeah. S 1> ดังนั้นจึงทําให้กรรมตรานิชาติอื่นบริบกรรมที่ไปโกงคนอื่นก็มาได้ช่องมารวมส่งผลจ้าเห็น oh. ไหมจ๊ะ เหมือนเออทำบุญวัดละบาทสามัญวัดปิติโอ้ยดีใจพอทำเสร็จกลับบ้านลู้นี้ทำสักแค่ห้าสนะิบกางกระบี้นี่นี้เห็นไหจ่าเขาเรียกว่าเสียดายในภายหลังคุณพ่อมีทยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตพระปัจจุบันชาติเนี่ยท่านถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายในตอนต้นชีวิตของท่านจึงติดความสะดวกสบายพอหรูหรามาจนคุ้น จมไม่หลงจนอายุมากจึงมีแตา่าติสายมุกลราสูุความจรงิงมุการาสูุชีวิตเหมือนลูกมะพร้าวเนี่ยย่อมไม่หลงกอดําไปพปล่อยมือมันลอยไปเลยยมไม่ลงเลยเหมือนลูกมะพร้าวนี่จะแก้ไขตั้งชวนท่านเข้า ว, วัดปฏิบัติธรรมพระใจท่านยดยิงภายในแล้วก็จะทําให้ท่านกรใจชีวิตและมีกำลังขึ้นกำลังใจขึ้นแจะ คุณพ่อคุณแม่ั้งเลิกกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันกับปัญหาเรื่องหนี้สินเงินทองในปัจจุบันอีกทั้งท่านทําบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จึง ท, ทำให้ท่านต้องเลิกกันตั้งแ ท, ที่เริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มด้วยความรักกันหวานชื่นแต่แต่ทั้งสองก็ไม่ได้ผูกเวรกันมานะจ๊ะหมดบุญจากกันน่ย ลูกมากิดในครอบครัวที่พ่อแม่เหลือกันทุกคนไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเพราะเศษกามกาเมเจ้าชู้ในอดีตของลูกสมัยที่ลูกเป็นผู้ชาย<ม>ที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกกันกับขาดบุญในการส่งเคราะห์ญาติบางครั้งลูกก็ทําทานโดยไม่เคารพ<ม>คือทํำไปงั้นๆน่ะ <No. S 1> จึงทําให้มาอยู่ในครอบครัวที่ไม่รักกันไม่สา ม, มารถขีดกันจา oh. นี่ลูกก็ในครอบครัวที่มีความพร้อมในวัยต้น และส่งเสริมการศึกษาหลูกเป็นอย่างดีแต่ตั้งมารับปัญหาหนี้สินั้งใ ช, ออชต้องช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทาะโรคประกรรมคล้ายกับพ่อคือว่าจะทํมมาบุญไม่จะปีติยินดีในตอนแรกแต่ปลายหลังไม่จะเิีได้ลูรงนี้ไม่ทำเท่าก็ดีเลยจึงทําให้กรรมตรานีในชาติอื่นๆเข้ามาแทร ก, อ, อ, กอีทั้งเคยเกิดเป็นญาติสนิทกับพ่อมาในอดีตและได้เคยมีส่วนในการอนุโมทนาบาปในการที่พ่อ ไปกองคนอื่นเข้ามา oh. พ่อในชาตินั้นที่เป็นญาติกันก็เออดีดีเราได้เงินมานี่ <c oughs> จริงถ้ามาร่วมรับปัญหานี้สินช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน14ล้านบาทจ้ะ oh. ชาตินั้นแล้วบอกเออดีเออดีที่กองเขามาชาตินี้แล้วก็ต้งเออดีเออดีช่วยกันใช้กันไปอย่าง <c oughs> งี้ไงเลยจ้ะเราจะจัดการภาระนี่สินดั้นกล่าวก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนต้องทาใจสงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออก ใจสงบแล้วเดี๋ยวดวงปัญญาและกาลังใจก็จะเกิดขึ้นจะรู้วิธีการโน้ตฮาวมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจสงบนะจ๊ะทั้งมันทัน้งสมบุญทุกบุญและนึกถึงบุญทุกบุญในใจที่พองใสไม่ใช่นึกถึงบุญไปนึกถึงนี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกถึงแต่นั้นเราต้องปลอดกังวลปลอดนี่สินเป็นอิสระเหมือนเราเป็นเจ้าของทรัพย์ทั่วโลกแต่เราแบงกันไปใช่คนอื่นเขาไอ้คนอื่นเขใช้ไป นี่เราเป็นผู้บริจาคคิดกันสีสิจ้ะใจมันจะผ่องแล้วก็ใสแล้วก็ให้อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดลนวิบากรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะแล้วเราก็เดี๋ยวจะมีวิธีการที่จะหาเงินจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นบวกกับกำลังบุญเนี่ยมันจะทำให้มีช่องมีทางจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาจะผลักสิ่งที่ไม่ดีออกไปจะมีช่องทางแห่งการมาของทรัพย์ อย่างน่ามหัศจรรย์ในเดียวแหละลูกจะมาทํางานหลากหลายอชีพเพืแลกกับเงินและมักจะเดินโกงค่าจ้างเป็นประจําเพราะกรรมในอดีตหลายๆชาตินี่ยลูกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญและผลแห่งบุญแต่เชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาชาตินี้ได้พิสูจน์แล้วว่าหนึ่งสมองกระโหลกแทบบาน ตา้เป็นทศกณัณด้วยยี่สิบมือนี่ถ้าไม่มีบุญ ล, ลองรับพังภาพมเมื่อนั้นห ล, หลายชาติก็มีความเต็มตัวแล้วก็เบี้ยวค่าแรงลูกจ้างบรล้มสงผลให้เขาเบี้ยวค่าจ้างมางจนี่แหลนี่ลูกทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นลูกถัวก็ต้องเป็นถัวลูกงาก็ต้องเป็นงาลูกถัวจะเป็นงาได้ไหมไม่ได้ลูกงาจะเป็นถั่วได้ไหมไม่ได้นอกจาก ท่าทั ว, ทวเอออันนี้เราก็ต้องศึกษาไหมนะหาลูกจะเข้าหุ้นลงทุนธุร ก, กิจกับคนอื่นเร้จะมีความรอบครอบรัดกุมเรื่องการทำสัญญาให้มากกว่านี้จ้า ม, มากกว่าความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียวจ้าลูกจะไปเชื่อใจเขาอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้คํามัม่นอย่างเดียวไม่พอต้องมีสัญญาด้วยญญต้องเซ็นก็เชื่อกันที่หลายเซ็นเนี่ยลูกต้องดูให้ดีต้องรัดกุมหน่อยอ่านทุกบรรทัด ยังไม่อ่านแบบครูไม่ใหญ่นะอ่านทุกคนท่านแล้วก็เซนไปพราะลูกยังมีผังที่จะถูกโกงอยู่อีกนะแต่ว่าอยู่บ้างอยู่บ้างอยู่บ้างที่มันอยู่บางๆงแล้วแต่ถ้าลู ก, กรอบคอบฟังให้ดีนะจ๊ะถ้าลู ก, กรอบคอบแล้วมันยังสมบุ์นึกถึงบุญและมหาปูชนิยอาจารย์บ่อยๆก็ mm hmm. จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะบางทีเขาจะถูกโกงก็ มันก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็จะมีทางมาแห่งทรัพย์ที่จะทําให้ลูกสะดวกสบายยิ้มล่าเริงเลยแล้วก็จะนึกย้อนหลังเราไปคิดฆ่าตัวตายทําไมตอนนี้ทําไมเราโวยอืดซาอะไรตอนนี้ยังไม่โรยอืดซาก็รวยพิซซาไปก่อนเคซื้อพิซซามาเกี้ยวกินกนอนอร่อยดีลูกเจอบทา ง, งานธุร ก, กิจ ด, ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากเพราะ มีอัธยาศัยชอบทางด้านศิลปะมาข้ามชาติโดยมีอยู่ชาติหนึ่งลูกดะไปเกิดเป็นคนทันสายสินอือมไม่ใช่สายวิทย์สายศิน<อ>จริงมีความคุ้นเคยในด้านนี้ท่านั้นเองแหละจ้า อ, อันนี้สนท่ลูกมาถวายความรู้พระพิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกก็จะได้อนันดสงฆ์โดยย่อเนีจ้าคือจะมีปัญญาสว่างสวยจะมีความรอบรู้ จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพวกพร้อมคนดีมากมายจะมีชื่อเสียงในด้านออกแบบศิละปะในพบชาติต่อไปอีกทั้งบนนี้ก็จะช่วยบรรดานในกิจการในการออกแบบในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าสาธุให้ทําต่อไปนะลูกนะลูกมีความสุขในการสอนเพราะมีความสุขในการให้วิทยาทานเนื่องจากตีนิสัยมาจากชาติชาติหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดเป็นคนนันสายศีล ได้เป็นครูสอนศิละปะมา ก, กอ่อนทุกครัร้งที่ถ่ายทอดความรู้สิทธิ์ก็มักจะมีความสุขจ้ะเ<อ>ลยไปเป็นคนทันสายศิละปะแล้วเป็นความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากเพราะในดิ ต, ติชาติหนึ่งคุณพ่อของเพื่อนสนิทเคยเป็นคุณพ่อของลูกและเพื่อนสนิทแปลว่าลูกกับเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกัน<อ>โดยตัวลูกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทที่เป็นน้องสาวเพื่อนสนิทเป็น น, น้องสาวตัวลูกเป็นพี่ชายในชาตินั้นจ้ะ มีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นพิเศษจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชา ย, ชายน้องชาย ค, คุณพ่อเมื่อสนิทตายแล้วก็เป็น เ, นเทพบุตรสุดลอมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟศ ส, สามได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีธิพ ย, ยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านกําลังเพิ่มเรื่องทิพ ย, ยสมบัติบนสวรรค์และฝากมาบอกว่ามีความสุขมากและได้รับบุญที่ทุกคนอาทิศไปให้จ้า คุณยายโดนรถชนตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันฆ่าสัตว์มหารแต่ชาวชาติหนึ่งได้เคยฆ่าสัตว์ได้อาทอดไม้ทุกทิศะที่คอของวัวตัวนั้นแล้วก็เชือดเฉือนเนื้อมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์มหารในอดีตระสค์ผล ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะได้บุญอีกจ้ะให้ทําวัดระบาดไปให้ท่านนะจ๊ะญาและคนข้างก็โดนน้องคนพ่อมีด้วย ก, การมาวัดของลูกเพราะกําแนิ ด, ดลูกนะ่ขาดบุญชวนคนเข้าวัดอีกทั้งมีเศษกรรมในการไปห้ามไม่ให้คนมาทําบุญอีกด้วยมารวมทรงผลจ้ะ ใครก็จะทําบุญกันไปพูดตัดรองกําลังใจเขาจะแก้ไขลูกก็ต้องทําหน้าที่กรมีกับท่านเหล่านั้นด้วยใจที่ใส่ยืกเยื้ออดทนอีกทั้งต้องมานันโมธนาบุญในการสร้างความดีของผู้อื่นผู้มีบุญอื่นด้วยจ้าตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกหมูคณะมาโดยคุณพ่อกุณแม่เคยร่วมบุญสร้างบารมีกับผู้อื่นร่วมบุญกับผู้อื่นนะที่ก็้ามาทําบุญกับหมู่คณะจึงมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจ้าร่วมบุญกับคนอื่นครับ ตัวลูกเองก็เคยสร้างบกนกระบอกขึ้นมาจึงมักทำบุญแบบตามอารมณ์จึงทําให้วิบากกรรมเก่าเนอดีได้ช่องมาตัดหลอนเห็นไหเจ้าว่าทําไมเราต้องทําบุญทีทีแล้ววิบากกรรมเก่าเนื้อดีจะได้ไม่ได้ช่องในการมาตัดหลอนนี่สำคัญเพื่นสนิทก็เป็นกองส บ, บียงประเภทบางครั้งเต็มที่บางครั้งตามอารมณ์นี่ตัวลูกและเพื่นสนิทก็เป็นกองสบีย์ดังกล่าวและช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ชาตินี้ให้ตั้งใจนั่งทำไม้เต็มที่อย่างถูกหลักวิชา ก็จะสามารถขึงพระธรรมกายได้จ้าชาตนี้มาเจริแลวก็ให้ตั้งใจสร้างบริมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จดได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสสติสั้นๆเลจ้า